ัุณผ่งที่เคารพคะและนี่ก็เป็นเวลาที่เรากําลังจะได้พบกับพระเพบรบุญอภิปุญโญจากวัดป่าดอนหายโซจังหวัดอุดรธานีช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะกันคะ่นกกคะ น, น้มัสมั่กันท่านคะเชิญพรเมื่อวันกรถินลืมเล่าให้ท่านฟังอะคะ่ะอืมเป็นยังไงดิฉันได้พบน้องสายฟาเรนไฮท่านผ่องท่านคะน้องสายฟาเรนไฮนี่เป็นศิลปินเพลงของอบริษัทกรมมี่ แล้วก็เป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในธรรมไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไยโซเป็นประจอ <c oughs> วันที่เจอนั้นเธอบอกว่านี่เพิ่งบึงกลับมาจากวัดป่าดอนไยโซ <c oughs> ไปเป็นอะไรนะคะผู้ช่วยงานธรรมเดี๋ยวฉันถามว่าเอาไปเป็นผู้ช่วยงานธรรมหรือไปทํางานอาสาเลยเธอบอกว่าไม่ใช่ไปเป็นเบสหรืออะไรทำนองเนี้ค่ะเหมือนกับไปทําทุกอย่างพายพร้อมามากแต่ก็มาระล่ําละ ล, ล, ะละกัก น, นะคะออื <c oughs> ว่าเขาภายนะคะเขาเรียกดิฉันว่าพี่ติวอือ <c oughs> พี่ติ๋วต้องไปนะคะพี่ติ๋วต้องไปแล้วพี่ติวจะรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกพิเศษที่สายกับอธิบายไม่ได้อพมะอาจารยอธิบายได้ไหมคะก็ถ้าอาศัยสิ่งที่เป็นพุทธวจนะก็จะเรื่องความสุขจากในภายในอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็จะมีความร่าเริงก็อาหารร่าเริงที่เกิดขึ้นในการฟังธรร ม, มนะซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็เป็นจัดอยู่ในหมวดที่เรียกว่าความสุขที่เกิดจากในภายในค่ะ ซึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นของเชิญมาพิสูตรรู้ได้เฉพาะตนค่ ะ, ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็เลยอดสงสัยไม่ได้ว่าเอ๊ะมาแอบถามท่านเป็นบณ์ดีกว่าพิเศษอย่างไรหรืออย่างยางเรื่องความสุขที่เกิดจากในภายในอย่างนี้น ะ, ะซึ่งพระพุทธเจ้าก็เคยบอกว่าเออแต่ละที่เนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน ซึ่งอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลนะซึ่งอาลมาไม่สามารถควักให้ดูได้นะเอากักอกฉันดูแล้วเอาไปคนละก้อนนะว่าจะมีความสุขยังไงมันหน้าตาเป็นอย่างนี้ทําไม่ได้นะเอาให้กันยังไม่ได้เลยแค่บอกบอกเสร็จแล้วเธอต้องไปดูเองแล้วก็การปฏิบัติเนี่ยมันก็สถานที่ก็จะมีส่วนนะที่พระเจ้าเคยบอกว่าถ้าอยู่ในสถานที่นี้แล้วนะอาสวัที่ยังละไม่ได้ก็ละได้จิตที่ยังไม่ตั้งมันก็ตั้งมันก็ให้อยู่ไปลักษณะนี้ก็มี <Okay. S 1> อื ค่ะนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาทักทายท่านทีนี้ในส่วนของคําถามเป็นเรื่องแตกข่าวกันแล้วกันนะคะเมื่อประมาณซักตอนต้นสัปดาห์เนี่ยค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยท่านรัฐมนตรีสุกุมน์คุณปลืม้มก็ออกมาพูดว่าได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาหรือว่ามีวัดเป็นจํานวนมากเลย ที่ช่วงเทศกาลกระถินเนี่ยไม่สามารถที่จะรับกระถินที่ใครต่อใครจองกันเอาไว้ได้เนื่องจากว่าน้ำท่วมแล้วก็ทำท่าจะท่วมยาวซะด้วยกระถินก็ให้โอกาสแค่เดือนเดียวเป็นหลักนะคะก็จึงได้สรุปกันออกมาว่าวัดใดาหากมีปัญหาเช่นเดียวกันนี้เนี่ยก็ให้ไปหาหรือกับทางเจ้าคณะจังหวัดเพื่อที่จะได้กาหนดวัดที่เหมาะสมวัดอื่นอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงในการที่จะ รับกรถิ่นกันต่อไปอืดังนั้นก็สงสัยเลยค่ะว่ากติกาแบบนี้เนี่ยมีพระวินัยกําหนดเอาไว้เป็นทางเลือกอย่างไรหรือว่าเป็นอย่างอื่นอย่างไรไหมคะที่กําหนดไว้บุคคลที่จะรับกรถิ่นได้ก็ต้องเป็นพระที่จําพรรษาอยู่ในอาวาสนั้นคะนะพระที่จําพรรษาอยู่ในอาวาสนั้นเนี่ยจะต้องอยู่ในกิจกรรมที่มีการถวายพระกระถิ่นกัน ทีนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้กําหนดตายตัวว่าจะต้องเป็นสถานที่ในอาวาสนั้นแต่ถ้าเราจะตีความว่าเออมันคุณจะต้องอยู่ในอาวาสนั้นพร้อมกับพระที่จำพรรษาในสามเดือนที่ผ่านมาอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าออกมาทําอาวาสอื่นเนี่ยมันก็จะมันก็จะ เ, เขาเรียกว่าอะไรเพี้ยนไปนิดนึงแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้กําหนดตายตัวนะว่าจะต้องอยู่ในอาวาสนั้นที่กําหนดตายตัวคือบุคคลนะบุคคลที่อยู่ในอาวาสนั้นจะต้องมารับ คนอื่นจะมารับไม่ได้ค่ะทีนี้อย่างกับที่ฉันได้ยินมาว่าจะต้องเป็นในลักษณะที่เป็นการประชุมของภิกษุในอาวาสนั้นด้วยว่าพระภิกษุรูปใดสมควรที่จะได้รับย่งกับวัดนาป่าพงที่ผ่านมาพระมาร์กในช่วงต้นของรายการเรานี่ก็เป็นผู้ที่ประชุมสงฆ์ได้มีมติให้เป็นผู้ที่รับ การกรานกริ่นใช่ไหมคะดิฉ <He S 1> ันพูดผิดไหะช่วนใช่ได้รับภาพกริ่นที่ทําการกรานแล้วอ๋อค่ะอะเพราะเหตุผลก็คือว่าท่านมาร์กเนี่ยเป็นผู้มีจีวรเก่าสุดต่อที่สุด ท, ท, ท, ทีนี้อย่างนี้คะ่ะอันนั้นจบไปแล้วดิฉันก็เลยสงสัยประเด็นนี้เนี่ยว่าสมมุตินะคะเกิดวัดกไก่น้ําท่วมอมต้องมาประกอบพิธีนี้ซึ่งเจ้าภาพเนี่ยตั้งใจจะถวายให้ ที่วัดกอไก่แต่มาเป็นการทําที่วัดขอไข่ถ้าเข้ากติกาอย่างที่ท่านบอกก็คือว่าต้องเป็นพระจากวัดขอไข่ที่ที่ประชุมสงฆ์วัดขอไข่หรือเปล่าคะไม่ใช่ต้องเป็นพระจากวัดกอไก่พระที่รับกฐินเนี่ยจะต้องเป็นพระที่มาจากวัดกอไก่แต่มาใช้เนื้อที่ของวัดขอไข่อันนี้ได้หรือไม่เนี่ยพระเจ้าไม่ได้คือเปิด่เปิดเนื้อที่กว้างให้ไว้ให้นะ ทีนี้ว่าะจะต้องดูไปในรายละเอียดว่าเขาเรียกว่าที่เปิดกว้างไว้เนี่ยจะต้องใช้อยู่ในอาวาสของวัดกอไก่หรือว่ามาทําอาวาสอื่นโดยนําพระจากวัดกอไก่เนี่ยมาแต่มาคิดว่าจะต้องทําในเขตสีมาของวัดกอไก่แต่นี้พระรูช า, าไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องทําบนพื้นทาบนเรือทําอะไรได้ไหมก็น่าจะทำบนเรือได้แต่ว่าการเดินทางประสานงานอะไรมันคงจะยากนะโดยเฉพาะการทําผ้าเนาะทำะะตัดผ้าเย็บผ้า ดิฉันสมมุติอย่างนี้แหละนะคะสมมุติว่าตามพระวินัยเนี่ยก็บอกว่าหนึ่งเดือนหลังจากนั้นแล้วก็ถ้ามีเหตุก็มีข้อยกเว้นที่จะขยายเวลาไปได้ด้วยถูกไหมคะถ้าเหตุจําเป็นจริงๆไม่ไม่มีแค่แค่นี้เองเอ้าวเหรอคะใช่ถ้าถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาวัดใดทั่วหมดทั้งเมืองเลยสมมตินะคะอ่าก็ไม่ต้องรับก็ได้อ๋อค่ะเออไม่ต้องรับก็ได้เพราะว่ามีหลายๆวัด ที่จํานวนพระก็สามารถรับกรถินได้แต่ท่านไม่รับนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องยุ่งในการที่ต้องมาทําจ mm ีว hmm. รแล้วจีวรที่ทําขึ้นเนี่ยเป็นจีวรเครือบดีจีวรหมายความว่าจีวรที่มีการตัดเย็บย้อมอย่างประณีตนะด้วยอุปกรณ์อะไรต่างๆ ท, าที่ท่านมีแต่ถ้าบางท่านทั้งพระทั้งวัดเนี่ยเกิดเป็นผู้สมาทานผ้าบางสกุลอย่างเงี้ยเพราะนั้นผ้าที่รับมามก็ไม่ได้อะเพราะนัทั้งทั้งวัดก็อาจจะตัดสินใจว่าจะไม่รับ ก็มีหลายๆวัดนะที่จะมารู้จักในพระอิาสานบักเหนือที่จำนวนพระเนี่ยสามิบสี่ิบเลยแต่ท่านไม่เคยมีกระถินมาสิบยี่สบปีก็มีอ๋อหรอคะ ừ, ม, ม, มีด้วยเหมือนกันเลยคะวัดเช่นนี้ยุ่งยากมากขนาดขนาดที่ทำให้ท่านไม่รับเลยคะหรือว่าถ้าไม่เช่นนั้นก็ประยุกต์หน่อยไม่ดีหรอคะ <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็มีโรงงานเยอะแยะมีการเย็บผ้าจะวิลิตสมาราอย่างไรก็เย็บได้ซื้อสาเ ร, ร็จรูปไปถวายเลย ก็ด้วยความสันโดษของแต่ละองค์แต่ละท่านที่อาจจะเป็นข้อปฏิบัติของท่านอย่างเงี้ยนะเรื่องกระนเนี่ยอาจาราจึงบอกว่าเป็นเรื่องของผู้ถวายซะมากกว่าของผู้ที่จะให้นั่นคือเราเคราบดีอย่างเงี้ยที่เขาต้องการจะถวายส่วนพระเนี่ยที่สําคัญสําหรับพระนะคือการเป่ารนาเ อ, อาพรรษาที่เราได้พูดไปเมื่อเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ค, คือจะมากล่าวโทษกันอย่างไร ใ, ในที่ประชุม จะได้เป็นการพัฒนาปรับปรุงใช่ติเตียนกันและกันว่ากล่าวกันและกันให้ออกจากอาบัตค่ะอ๋ อ, อเรื่องกรถิ่นนี่ถ้าไม่ใช่เจตนาของพระแต่ส่วนใหญ่เป็นเจตนาของโยมก็มีใช่แล้วพระไม่ขัดศรัทธาแล้วก็คือถ้ารับมาแล้วเราจะต้องทำไงคนที่จะต้องมาตัดเย็บย้อมก็ต้องเป็นพระท่านอาจจะเห็นเห็นว่าอันนี้เป็นภาระ เ, าเราอยู่อย่างสบายๆ ส, สันโดษก็แล้วกันนะพอใจในผ้าที่เรามีจบ ็จะเปนที่ดิฉันต้องถามละเอียดเนี่ยเพราะว่าบางคนก็อาจจะมีประสบการณ์แต่ในลักษณะที่ก็ไม่เห็นมีการเย็บผ้าให้ดูซึ่งซึ่งหน้าอืจึงไม่เข้าใจต้องถามจนเข้าใจว่าถ้าตามพระวินัยนี่ต้องมีการเอามาทำเลยใช่ไหมคะตัดเย็บย้อมใช่ใช่ให้เสร็จภายในวันนั้นก่อนพระอาทิตย์วันใหม่ขึ้นค่ะค่ะอันนี้ก็เป็น ความรู้สําหรับวันนี้กัแล้วกันนะคะประกอบไปกับข่าวซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ว่าดิฉันว่ามีชาวพุทธหลายคนทีเดียวค่ะที่ไม่สบายใจอ น, นะทําไมนะวัดนั้นรับกระินไม่ได้วันนี้รับกระถินไม่ได้เป็นทุกวัดจะเดือดร้อนหรือเปล่าพระจะเสียหายหรือเปล่าเพราะว่ารับไม่ได้อกระถิ่นนี่ก็คือเรื่องผ้าท่านเองพระรับผ้ามาจะเป็นผ้าที่เกิดจากในช่วงฤ ด, ดูการนี้หรือเป็นผ้าที่เกิดจากช่วงฤ ด, ดูการอื่นพระใช้ได้หมดพระใช้ได้หมดสมมุติอย่างนี้นะคะท่าน ผู้ที่เป็นเจ้าภาพตั้งใจแล้วไปขอเลื่อนเป็นปีหน้าเลยแต่เมื่อในช่วงนี้เราอาจจะถวายเป็นผ้าป่าเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะคะป็จือผ้าพิถีพิถุดแสมณะแทนผ้านอกการ <c oughs> แต่อย่างในใ น, ในเวลากรถินนี่เขาจะเรียกวาผ้าในาการการในเวลากรถินถ้าผ้านอกการก็ถวายเมื่อไหร่ก็ได้เวลาน้ําแห้งเวลาน้ําลดคือมันมันเป็นประเด็นอย่างเงี้ยคุณโยมติว่าถ้าเราจะต้องจัดพิธีอะไรให้มันใหญ่โตแล้วก็ ยุ่งยากมันก็บางท่านก็จะไม่ชอบนะบางรูปก็จะติเลี่ยงอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่ท่านแต่และองค์แต่และวัดแต่และนโยบายแต่ต้องบอกอย่างนี้ว่าไม่ใช่เรื่องคอขาดบาตายไม่ใช่เรื่องคอขาดบาตายนะคะค่ ะ, คะกะ็มาถึงเรื่องที่เป็นเรื่องของ คนที่คอไม่ต้องขาดไม่ต้องโดนอะไรบาดก็ต้องตายแบบพวกเราเหมนกันแล้วกันค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นความทุกข์ที่ดิฉันจําได้ว่าค้างอยู่อ่อาสนั่เมื่อวานนี้ใช่ค่ะเมื่อวานนี้ยได้สนทนากับท่านเพบูลถึงเรื่องว่าต้องเห็นทุกข์ถึงเห็นธรรมใช่ไหมคะแล้วดิฉันบอกว่าบางคนเนี่ยเกิดมาไม่มีโอกาสที่จะมีความทุกข์หนักๆเลยอะ่ะท่านเพบูลบอกว่าพื้นพื้นอย่างเงี้ยมันก็เป็นทุกข์เพียงพอที่จะให้เห็นธรรมได้เหมือนกัน เพระนั้นท่านเปิดประเด็นไว้ต้องรบกวนท่านอธิบายอะค่ะก็ที่ความทุกข์ที่เราพูดถึงเอาที่พระพุทธเจ้าพูดถึงดีกว่าคือความเกิดความแก่ความตายความโศกความรำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความขับแค้นใจทั้งหลายเป็นทุกข์ใช่ไหมทีนี้มางคลบอกว่าฉันไม่เคยมีความขับแค้นใจอะไรเลยนะฉันไม่เคยเจอประสบสิ่งที่ไม่น่าพอใจไม่เคยมีอะไรจะต้องเสียฉันรวยมากแล้วฉันก็มีความสุขตลอดในชีวิตไหนความทุกข์ไม่เห็นมีเลยนะแล้วจะมาเห็นธรรมได้ยังไง ใช่ไหมแต่ละมาบอกว่าไม่จริงหรอกแค่เราหายใจเข้าหายใจออกตื่นเช้าไปกินข้าวเข้าห้องนะ้ำแค่นี้ก็ทุกพอรแรงละแค่นี้ก็ทุกพอรแรงละเพราะอะไรเพราะเราจะหนีไม่พ้นจากความตายเอาคุณเข้าสมาธิหลับตานึกถึงตอนเวลาตัวเองจะตายมันจะเป็นยังไงเจ็บปวดอย่างไงอาจจะไม่เจ็บก็ได้หลับไปเฉยตายแต่ความตายเนี่ยมันเป็นทุกตรงที่ว่าเราจะต้องเสียความสุขนี้ไปทั้งหมดที่เรามีอยู่ในชีวิตนะคุณสุขมากใช่ไหมตอนตายนะคุณเอาไปไม่ได้เลยนะ ค่่ะอาทีนี้คุณจะเห็นตรงนี้ได้เนี่ยจิตคุณต้องเป็นสมาธิจิตคุณต้องเป็นสมาธิจิตคุณต้องเป็นสมา ธ, มาธิถึงจะเห็นตามที่เป็นจริงตรงนี้บางคนอาจจะบอกอย่างนี้คุณโยมติ๋วบอกว่าฉันก็เป็นสมาธิทุกวันนะฉันทํางานเขียนหนังสือขับรถนี่ต้องเป็นสมาธิหมดนะใช่ไหมเราเอาง่ายๆอย่างคนจะไปฉกกระเป๋าล้วงกระเป๋าเขาอย่างเงี้ยงานกระถินคนจะเยอะเนี่ยอาจจะมีมิจฉาชีพเข้าไปล้วงกระเป๋า คนล่วงกระเป๋าเนี่ยเขาจะต้องมีจิตแน่วแน่นิ่งมากเลยนะเล็งอย่างดีคนนี้กระเป๋ า, าโผล่มาฉกพั่วเนี่ยจิตเขาต้องเป็นสมาธิแน่ถูก <Okay. S 1> ไหมแต่เป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่เกิดจากความเห็นผิดที่ต้องขโมยใช่ไหม <Okay. S 1> ทีนี้อย่างสมาธิที่เกิดในการงานสมาธิที่เกิดในการพูดเกิดในที่ประชุมคิดการงานทําข้อสอบเนี่ยมันยังไม่เป็นสมาธิที่เป็นไปเพื่อการละวาง <Okay. S 1> เป็นสมาธิที่เป็นไปเพื่อการแก้ไขปัญหาการเอาอยู่ การได้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าพูดถึงจิตเนี่ยนะองค์ประกอบของมรรคเอย่างเนี่ยที่แวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่คุณยมติดฟังจริงๆนะ <Okay. S 1> องค์ประกอบของมรรคทั้ง7อย่างที่แวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่จิตที่เป็นหนึ่งนั้นอนะ่ะคือสัมมาสมาธิ <Okay. S 1> เราต้องการสมาธิแบบนี้คุณถึงจะเห็นตามที่เป็นจริงว่าแค่หายใจเข้าหายใจออกก็ทุกพอแรงแล้ว hmm. เพราะฉะนั้นเราต้องทําจิตให้เป็นสมาธิ สมาธิในที่นี้หมายถึงสมาธิ <Okay. S 1> ซึ่งพระพุทธเจ้าก็พูดถึงสมาธิคือจิตปราศาจากกามพยาบาติเบียดเบียนอย่างนี้แล้วก็มีปีติสุขเกิดขึ้นต้องมีปีติสุขเกิดขึ้นด้วยนะ <Okay. S 1> แล้วก็ถึงจะเป็นสมาธิขั้นที่หนึ่งที่เป็นขั้นพื้นฐานเบสิกที่จะต้องมีในการที่จะเห็นตามที่เป็นจริงได้คนส่วนใหญ่ยังไม่มีสมาธิ แล้วก็อาศัยอ่านหนังสือบ้างศึกษาบ้างใช่มันก็ไปได้ระดับหนึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นการเพิ่มสมาธิฏฐิซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ของสัมมาสมาธิใช่ไหมองค์ของมรรคเจอย่างเนี่ยอย่างในนั้นคือสมาธิฏิคุณอ่านหนังสือศึกษาการงานทำํำความเห็นให้ถูกต้องนี้เป็นสมาธิฏิทั้งหมดเลยนะแล้วก็มีการงานชอบพูดจาชอบมีสติรวมทั้งหมดในจิตที่เป็นหนึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการถึงจะเห็นตามที่เป็นจริงได้ว่าโอ้ฉันจะต้องตายนะ ไอ้คิดทีไรนะฉันโอ้เศ้าปล่อยวางดีกว่าพัวนั่นเป็นโซดบรรจะมีความเห็นว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดจะมีความดับไปเป็นธรรมดาอืมงั้นถ้าให้ดีชันสรุปก็คือว่าถ้าอยากรู้ว่ามันทุกข์อย่างไรทั้งๆ ท, ท, ท, ที่เรารู้สึกว่าเราไม่ทุกข์เนี่ยต้องไปปฏิบัติสมาธิให้ได้ซะก่อนออใช่นะคะเราจะเห็นตามที่เป็นจริงว่ า, าอที่คิดว่าไม่ทุกข์นี่แหละทุกข์จริงๆเลยอืม ทุกตัวแท้และทุกตัวที่ต้องแก้ด้วย อ, อาอยุตัวอย่างง่ายๆโ ย, ยมโยมมันดาของธรรม า, ส เ, าเสียไปเมื่อปีที่แล้วค่ะแล้วตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยท่านก็ยังพูดถึงว่าเออถ้าหายเนี่ยนะจะไปเที่ยวเขาค้อนั้นได้จองตัวไว้แล้วเตรียมการไ ว, ว้แล้วอะไงต่างๆนี่คือความทุกข์ที่คนตายจะต้องเจอคือเราจะไม่ได้มีความสุขที่เราเคยมีมาทั้งหมดหายหมดเลยนะคุณเคยคมีรถมีบ้านมีความสุขไปที่นั่นที่นี่ได้กินอาหารอร่อยพอตายเท่านั้นน่ะ หมดจบเลยโอ้โ oh, ห oh, mm. นี่มันทุกสุดเลยนะแล้วไม่มีใครจะหนีได้นะความตายต่อให้คุณเอาซ e c u r i t y รตตีกาดตำรวจพรึบพยาบาลพรึบหมอพรึบไม่มีใครช่วยได้ถึงวันเวลานั้นมันไปไม่มียาไหนจะช่วยได้เอาแค่นี้เราคิดถึงเรื่องนี้โอ้ยตายละฉันจะทำยงไงฉันจะต้องไม่เป็นผู้ที่เดือดร้อนใจในภายหลังเพราะความตายมาถึงฉันแล้วฉันจะต้องเป็นผู้ผ่าสุกอยู่ได้นี่ที่พระเจ้ต้องการให้เห็นค่ะ <Okay. S 1> นะคะแล้วก็วันนี้ก็คิดว่าคงจะได้เนื้อๆไปเลย <c oughs> ว่าชักเริ่มรู้สึกและอยากรู้เหมือนกัน <c oughs> ว่าทําไมถึงจะรู้ทุกต้องไปปฏิบัติสมาธิ <c oughs> แบบที่ท่านมาร์กนําในช่วงต้นนี้ก็นําทางไปได้แล้วถูกไหมคเลยถูกไหมนะคะ ล, ล้วันนี้ก็นำมาส ก, การขอบพระคุณนะคะสำหรับพระภบูร์อภิปุโนโจากวัดป่าดอนไฮโซดรนธานินค่ะนำมาสการ <c oughs> ค่ะท่ะนานค่ะเจริญพร ขอท่านฟังที่เคารพคะและสำหรับรายการของเรานะคะสรรเสริสนทนาที่ชันสรรเสริญนาพงศ์ดำเนินรายการค่ะปลายสัปดาห์นี้แหละเนี่ยขณะนี้ก็เข้าใจว่าท่านพบูลกำลังวุ่นมากแล้วล่ะกับการที่จะต้องทําให้ทางวัดนั้นพร้อมในการที่จะรับกรถิ่นวันปิยะมหาราชนี้ที่วัดป่าดอนหายศอุดรธา น, นีนะคะท่านใดมีศรัทธาแรงกล้าไปถึงก็ไปเช้าๆหน่อยก็แล้วกันจะได้ไปทําบุญกันที่นั่นค่ะวันนี้ เช่นเคยนะคะ022690006ขอหนังสือพุทธวจนะที่ท่านอาจารย์คริสต์ฝากมาได้วันนี้ก็ลากไปแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้พุทธวสตรีค่ะ